วันนี้ตรงเวลาพุ่มพอดีก็เป็นวันสุดท้าย็นการเรียนประการมราในงวดนี้จำนวนสองวันนี้ผ่านมาดูเหมือนว่าวิปัสสนาญาญจะหนักไปหน่อยหนักไหมหนักไหมหนักฉันไม่เห็นหนักแตรลงหนักนั่งหนัก <c oughs> <c oughs> อ่าเมื่อสองวันนี้ผ่านมา และในด้านวิปัฒนายาน้สิงจะหนักไปนิดหนึ่งแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าวิปัฒนายานคืออะไรความจริงวิปัฒนายานนี้ไม่ใช่ของหนะักถ้าใช้ภาษาบาลี <c oughs> ก็รู้สึกว่าหนักมากใช้สับวิปัฒนายานถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่หนักยานครับไปวารู้วิปัสสตัว น, นี้รเราไปเห็น มีความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงหรือยอมรับนับถือความเป็นจริงนั่นเองใช้ปัญญายอมรับนับถืออย่างพี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตาความเกิดมีสภาพไม่เที่ยงไมื่เกิดมาเป็นเด็กเล็กต่อไปก็ค่อยเปลี่ยนที่น้อยแต่น้อยมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็เปลี่ยนมาเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นเป็นหนุ่มแล้วเป็นวัยกลางคนอยากไปกลางคนก็มาเป็นคนแก่อยากแก่ก็ตายอยากตายก็เป็นผีใช่ไหมใช่นะก็รวมความว่าสภาพหรืความเกิดในโลกนี้มันไม่เที่ยงท่านบอกว่าโลกไม่เที่ยงเป็นภูแปนตาคาว่าโลกหมายถึงแผ่นดินก็นโลก ต้นไม้บ้านเรือนโลงคนโลกคนก็โลกสัตว์ก็โลกโครงความมาทั้งตัวโลกระสุใบของโลกในสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าต้องมาสอนก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตอนเป็นเด็กเล็กไม่อยากเป็นเด็กใหญ่ก็เป็นได้ตามสงความปรารถนาเมื่อเป็นเด็กใหญ่แล้วก็อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นได้สมความปรารถนาพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่อยากแก่ตัวไม่อยากแก่เมื่อความแก่เข้ามาเราก็ฝืนไม่ได้รงความว่าโลกมันมีการทรงตัวตามใจเราชอบดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนได้มีปัารนาใหญ่คือยอมรับรับถือตามความเป็นจริง ให้มีความเข้าใจว่าโลกไม่เที่ยงคือร่างกายเราไม่เที่ยงร่างกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงร่างกายสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุต่างๆก็มีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความแปรปรวนท่ามกลางและมีการแตกสลายนาในที่สุด <st> เมื่อจิตยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็มองเห็นความทุกข์ของโลก ว่าการเกิดในโลกมันเต็มด้วยความทุกข์กับความไม่เที่ยงของมันถ้าเราจะเกิดอีกกี่ครั้งสภาพความไม่เที่ยงกระโจอยู่ก็มีความทุกข์ต่อไปพระองค์งเสนอไปจอมไตรทซนทราบว่าแดนที่มีความเที่ยง น, นมีคือนิพพานมนษุษย์โลกไว่เที่ยงเทวโลกกอมตโลกไม่เทียทเท่ยงแตแดนที่พอมีความเที่ยงมีคือนิพพานยังแนะนําให้ทุกคนปฏิบัติคนเพื่อคุนิพพาน ในการปฏิบัติตัวนี้พ่านนี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ทั้งแปดหมื่สี่พันหัวข้อที่เราเรียกว่าธรรมขันนั่นคือพระสูตรสูตรหนึ่งก็ดีชาดกชาดกหนึ่งก็ดีหรือว่าธรรมะตอนใดตอนหนึ่งที่กล่าวแล้วจบสั้นๆยาวๆก็ตามก็ถือว่าธรรมขันกองเลยถ้อขันไปมากองก็กองทำกองเลยในคำสอนพระเจ้าท่านทุกกองและทุกธรรมขันทุกตอน ที่สอนไว้นะมีผลทั้งนิพพานทั้งหมดแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมากเพราะว่าบรรดาแต่พุทธบายสัทมีมีกําลังใจไม่เสมอกันบางคนชอบดีลาแบบนี้บางคนชอบดีลาแบบนั้นถ้าสอนอย่างเดียวถูกใจใครคนนั้นก็บรรลุมรคผลถ้าประเบือนบุคคลใดไม่ถูกใจก็ไม่เดบุลมรควุณดังนั้นในฐานะที่องค์สมเด็จพระพุทธสุุฒเป็นพระศัพท์ตัญญู เชื่อสอนได้มากวันนี้ก็อยขอแนะนํากรรมฐานบรรดาท่านผู้จบริษัทหัวข้อหือกองใหญ่ๆกรรมฐานจริงๆมีสี่สแต่ว่ากรรมฐานที่ปฏิบัติง่ายๆจะมียี่สิบง่านะกรรมฐานที่ปฏิบัติง่ายจริงๆมีสิที่จะเรียกว่าอนุสติ แต่วันนี้จะพูดครบสิบจะไม่ครบก็ไม่ทราบเราะมันเหนื่อยๆถ้าไมครบก็ขอใครด้วยชัวร์คว่าอนุสติไม่แปลว่าตามนึกถึงคือไม่ต้องใช้กําลังมากไม่ต้องเคร่งเครียดการที่ทําสมาธินั่งตรงเกินไปเราจะทําอย่านั่นได้แต่ว่าพอเวลาสมควรเราควเลิกแล้วต่อไปหลังจากนั่นหรือจะไม่นั่งแบบนั้นเลยก็ได้แต่จิตทรงอยู่ ตั้งเวลาการนึกอนุสติประวัติามนึกถึงถ้านึกถึงอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งในสิอย่างนี้ให้เลือกประตามชอบใจเวลานี้อาจจะชอบอย่างนี้เวลานั้นอาจจะชอบอย่างนั้นเวลาน้้นอาจจะชอบอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าถือว่าได้ใจยังนึกถึงอนุสติตั้งิกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็อันดับแรกถือว่าเป็นมหากรุสุนใหญ่ นะยยะต้นๆอย่างอ่อนๆอย่างอ่อนๆนี่ถือว่าเป็นมหากรุสุนใหญ่ถ้ากําลังใจก็บรรดาเจนพุทธบริษัทนึกถึงอนุสติสิทธิ์อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแค่จิตมีกําลังแค่คณิกาสมาธิคําว่าคณิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยเพื่อนึกได้ซึ่งนาทีบ้างหนึ่งนาทีได้ไปอย่างมากจิตกบเกลอ ไปคิดเรื่องอื่นเขาไปแทนพารู้สึกตัวก็คว้ามาใหม่นึกได้นาทีบ้างสองนาทีบ้างขึ้นนาทีบ้างกาแฟใหม่อย่างนี้ท่านเรียกว่าคาลิกะสมาธิ <c oughs> เพียงกําลังใจกัมมรนดาแต่พุทธริษัทนึกอยู่แต่ละครั้งเพียงแค่คณิกะสมาธิอย่างนี้ได้เกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าบนสัญญิกามาวาจรได้ แต่ว่าอยู่ตามเขตเขาสมาธิที่มีกำลังต่ํา็มองความว่าเราเกิดเป็นเทวดานางฟ้าได้กว่าแล้วกันถ้ากําลังใจเขาบิดาเจ้าพุทธบริษัทและเกินรูสติสิอย่างนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ากําลังใจบางขณะทรงได้ถึงอุปจาระสมาธิคําว่าอุปจาสรสาระสมาธิประเชียดฌานยังไม่ถึงฌานสมาบัติใกล้ฌาจิตเป็นสุด อารมณ์ที่เราจะคิดว่าขณะไหนจิตเปอุญจารสมาธิก็อาจจะสังเกตได้สักสองอย่างแค่สองอย่างนะหนึ่งมีกำลังใจชุ่มชื่นเอิอิมพอใจในการนึกถึงและก็รายการในสองบางคนอาจจะมีภาพฟังอย่างเกิดขึ้นบางทีก็เป็นสีเขียวสีขาวสีแดงลอยอยู่านหน้าบังย่างจา ง, จางไม่ชัดเจนนะัก ถ้าการอย่างนี้ปรากฏขอบรรดาท่านพุทธบริษัททราบว่าอเวลานั้นติดกับท่านอยู่ท่านเลยท่านอุปจารสมาธิแต่การส่งสมาธิการอุปจารสมาธิก็ไม่นานนะบางครั้งก็ได้สักหนึ่งนาทีก็าหายไปแล้วบางทีอย่างเก่งก็สอนาทีสานาทีนี่เอาอย่างชั้นๆยังไ ง, ไงแล้วเอานอน้อยถ้าทรงได้ขนาดนี้ ท่านบอกว่าถ้าตายจากความเป็นคนเลือกเกอดเปเทวดาหรือนางฟ้าในสวรรค์การมาจกองการมาว จ, จรได้ตามชอบใจแลืวว่ามีสิทธิ์ได้ทั้งสวรรค์หกชัน้นในชั้นไหนก็ได้นี่เรอาจ า, ารยรรดาแต่บอกนะถ้าจะกำลังใจเขาบรรดาแต่พระโัวสัตว์บางครั้งเป็นฌานคำวา่าฌานฟังจริงสองวันก็หนักวิปัสนาวันนี้ก็หนักกรรมฐานอีกแล้ว ก็ก็ถ้าคำว่าชานนี่ฟังแล้วก็หนักใจว่าเมื่อไรเราจะได้ฌานเล็กตะขอทิบายเล็กคำว่าฌานนี่คืออารมณ์ชินอารมณ์มชินทรงตัวถึงเวลาก็อยากทำการที่ปฏิบัติอย่างนี้อารมณ์จิตเป็นสุขเราอยากทำเมื่อขณะที่ทำอยู่ ขณะใดก็ตามสมมุติว่าบรรดาท่พุทธบริษัทนั่งกันบรรทันทักสามสิบนาทีที่บ้าน <c oughs> นายาสามสิบนาทีนี่มันอาจจะมีนาทีใดนาทีหนึ่งก็ได้หรือสองนาทีก็ได้ขณะดดันบังเอิญหูดีเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสามากเขาด่ากันก็รู้เขาว่ากันก็รู้เขาชมกันรู้เขาลาะร้องนําทําเพลงก็ทราบดยินชัดเจนแจ่มใสทุกอย่างแต่ดาว่า หูจิตใจเกิดไม่รําคาญในเสียงแคพราะเวลานั้นจิตใจภาวนาและพิจนารณาได้แบบสบายๆเสียงได้ยินแหละแต่ถ้ว่าไม่รําคาญอย่างนี้จะถือว่าเวลานั้นใจของท่านเข้าถึงเข้าถึงปฐมฌานฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานนีน่คือหูไม่รําคาญในเสียง นีต่ต่อไปก็เป็นชานดีสองเอาแค่ชาดีสองกระพอนนะถ้าเป็นชาทีสองอันนี้ก็เผือว่าบรรดาญาโยมวัตถบวิสัทอยาเข้าถึงบันฑีจะตกใจอขอพูดเรื่งชานก่อนชาทีหนึ่งมีองค์ห้าต้องจำให้ดีนะชาทีหนึ่งมีคุณสมบัติที่ประกอบกันห้าอย่าง้าเรีย่ยมองค์ห้าคือหนึ่งวิตกึนนึ สองวิจารณ์ในการไข้ครวนสมปีติคือความอิ่มใจห้านั้นก็4 ส, สุขความสุขกายสบายใจมันสุขมากกว่าปกติแล้วก็5้เอกกับตาคือเมียลมเป็นหนึ่งคำว่าเมียลมเป็นหนึ่งที่พูดในอเมื่อกีเนี่ว่าพอได้ยินเสียงชัดเจนดีมากใครพูดอะไรก็รู้เรื่องแต่ไม่ดําคาญในเสียงจิตตั้งมั่นในคำภาวนาในพิจนาก็เมียลมเป็นหนึ่ง อย่างนี้ท่านเรียกว่าผมไม่ฌานฌานที่ไห็แต่พอจิตเข้าถึงฌานที่สองตัวนี้ทรรดาย่าโยมุทธบริสัท์บางทีก็ตกใจกันเพราะว่าฌานที่สองเนี่ยมีองค์สามคือตัดวิตกวิจารทิ้งไปเราไม่ต้องไปตัดแต่เขาตัดเขาเองวิตกวิจารสลายตัวไปหรือระเปีติคือความอิ่มใจ สุขคือความสุขเอกตาือเมลงเป็นหนึ่งพอจิตเข้าทึงฌานที่สองจิตจะมีความสุขมากมีความเอิบอียงมากแต่ว่าตอนนั้นลมหายใจเอขอ ข, อ, ขอโทษเวลานั้นคำภาวนาหายไปคำภาวนานี่จะหยุดไปเองคำว่าคภาวนาอยู่เพราะว่าคำว่าไปตกก็คือนึกว่าจะภาวนา วิจารณ์หมายความรู้อยู่ใกล้คุณอยู่การภาวนาไี่ถูกหรือไม่ถูกทีนี้ตกวิจารณ์สองอย่างคือภาวนาเนี่ยหายไปจะหุดภาวนานเฉยๆแต่ว่าจิตมีความชุ่มชื่นดีกว่าปฐมฌานมากมีความสุขมากอย่างนี้แปลการของฌานที่สองแต่ว่าตั้งแต่ฌ า, านที่สองเป็นต้นไปจนฌานที่สอันนี้ไม่มีคํารภาวนาน ขณะใดถ้ายังมีคำภาวนาอยู่ภาวนาญาตโยมผู้สวดสวดบริสัทธ์ก็รู้ว่าเวลานั้นจิตขอเรายังไม่ถึงฌานที่สองถ้าถึงฌานี่สองไปต้นไปจะไม่มีคำภาวนาแต่ว่าคำภาวนานี้ต้องขึ้นต้นภาวนาเหมือนไก่เขาจะตัดเองด้วยกําลังของสมาธิเวลาหมดไปสิบสี่นาทีครึ่งไม่ได้ให้โอยนะให้ครึ่งมาเล่นไม่ได้โอย ก็ต่อไปก็แนะนํานอนุสติอนุสติปการตามนึกถึงอนุสติที่หนึง่งคือพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดอง์หนึ่งทำมาอนุสตินึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนใดตอนหนึ่งที่อเขาชอบ ยิ่งคนก็พูดพันธินิพพ์เทศพระพูดไปฟังใครก็าตามนึกอ่านหนังสือและชอบใจตอนไหนนึกเึิ่งทำตอนนั้นจัดไปทำมานุสติแล้วก็สังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์เอานึกถึงนะถ้า ต, ต่อไปก็ศีลานุสตินึกถึงศีลที่เคยรักษาระวังศีลแล้วก็จารคารนุสตินึกถึงทางการบริจาค ลราเคยให้ทานกับใครบ้างเลยทากนกคนที่ทานกันสัตตตามนึกึงทานเพื่อสเสน่หานึกใช้ร์ลมเพื่อสเสน่หานและก็เทวาตาลุสตินึกถึงเทวดาที่แชรลมถ้าผู้หญิงเขานึกถึงเทวดาผู้ชายต้อนึกถึงนางฟ้าและมั้งคำว่าเทวาตาลุสติไม่ใช่นึกถึงตัวเทวาดานะ นึกถึงตัวเทวดาและนางฟ้าก็ได้แต่ต้องนึกเลยคนนั้นนิดนึงต้องคิดว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีเดิมดีก็เป็นคนเหมือนเราเมื่อท่านตายจากคนแล้วก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็ต้องดูคุณธรรมว่าคนที่เป็นเทวดากับนางฟ้าจะเป็นได้เพราะอะไรก็ดูตามคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็ทรงทราบ ว่าคนที่เป็นเทวดากับนางฟ้าได้ต้องมีคุณธรรมสองอย่างคือฮีริโอตปะฮีริความอ้ายต่อความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์ในเมื่อใช้เทวตาทุกติก็เราคว่าท่านเป็นเทวดาได้ท่านเป็นนางฟ้าได้ท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านมีที่อยู่เป็นทิพย์ท่านมีอารมณ์เป็นทิพย์ ความเป็นทิพย์ของท่านปัตตนาอย่างใดก็ได้สมความปัตตนาเราต้องการเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างสมมติว่าถ้าเราต้องการปณิพันธ์ถ้ายังปณิพันธ์ไม่ได้เพียงใดเราขอพักอแดงเทวดาและนางฟ้าในการเนีพักอยู่ที่ได้เราก็ต้องอาศัยคุณธรรมสาเด็จกา็คือฮีริฮีริโตตะปาจิตใจนึกว่าความชั่วเราจะไม่ทํา ไอ้ความชั่วทัานที่รับสถิติแจงแถ้าเกรงกลัวผลความชั่วใจใผลเป็นทุกข์ไอ้ใหม่ๆว่าเสริมไม่ได้เลยคนบรรมดาถ้าทาจริงเขาใช้ได้ต่อไปก็เป็นมรณาลุสตินึกถึงความตายตามที่พระเจ้าทรงแนะนําว่าท่านแนะนําว่าพิเกวร์ดูก่อนพ่สุทธิ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้มีความรู้สึกว่าเราอาจจะตายวันนี้ไปเสมอเลยก็ได้ส่งความดีเข้าไว้ตอบอเมื่กี้อะเจวตาโนติมรณาตุติอะความตายอะแล้วลตอบไปก็กายยากายยิตานุสติกายยิขตาโุส ต, ติอันตัวนี้สําคัญมากนะมรณ า, านุสตินี่เป็นพื้นฐานของะโสดาสีตาคารอย่าลืมนะอนุสติจะไม่ใช่ลงเบาหนักมาก กามรณนุตินึกถึงความตายเปรตลมนี่เป็นพื้นฐานให้เป็นรสโสดาบนานณสุกิทาขามีต่อไปเรื่องเป็นกายยกตานุสติกายยกตาโนสตินึกคือร่างกาย่ร่างกายมีสภาพไปทรงตัวมีอาการฐานสา ร, รีกสองมีผมขนเล็บปันหนังเลือเป็นต้นประกอบปฏิท่าสีอย่างนี้ไม่มีการทรงตัวมีการเกิดในเบื้องต้น ถ้าเกิดในเบื้องต้นเสืนในทั้งกลางตรงนี้เป็นวิบัตสัญญาณายายนะถ้านึกถึงว่าร่างกายแปลการที่สองนี้เป็นสมถะภาวนาถ้าคิดว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปนในทั้งกลางไม่มีการแตกสลายในที่สุดยานี้เป็นวิบัตสัญญาณต้องควบกันเมื่อได้ก า, กายยุตตาตุตินี่เป็นพื้นฐานเขาบัญนาคามีพระอารหาันต์ คนที่อยเป็นบ้านนาคามีได้โกดีอยาเป็นพระอรหันก็ดีต้องชํานาญและคล่องในการยุทธานาโนสติเพื่อต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่มีการทรงตัวไม่ใช่แท่งทึบอันเดียวมันมีอาการทางสารที่สองอย่างเข้าร่วมกันแต่ร่างกายนี้มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกนนาาข์เป็นนักตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลผลด้วยกำลังสลายตัวในสุดันดับแรก เคยทราบว่าความทุกข์ทั้งหลายแหล่เกิดจากร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีทุกข์ในตอนต้นทิจนาไปจะเกิดมิพิทายาณนมิพิทายานจะเกิดอาการเบรื่อหน่ายในร่างกายของตนเองเอาร่างกายเรานะร่างกายคนอื่นช่างเขาถ้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นอันนี้เป็นปัใจจัยให้ได้ก็อนนาคามีต่อไปเมื่อเบอื่บอไปเบื่อมาเบื่อมาไปเบื่อที่สุดเกิดวางขึ้นในร่างกาย ถิดว่าจะเบื่อมันขนาดไหนก็ตามร่างกายก็ทรงสภาพแบบนี้มันแก่ทุ ก, กวันขณะที่ยังไม่สิ้นลมปรานมันก็ป่วยต้องรออยู่ในสุดมันก็ตายในสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เราคิดติดไปจะเบื่อไปก็หมดเ อ, อเรียกว่าไม่มีทางที่จะหนีมันพ้นในขณะที่ตนหรือเรายังอยู่ในร่างกายในะที่สดุดจังวางเฉยก็ถือว่าร่างกายนีไย้ไม่ใช่เราไป็สิ่งของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคําว่าร่างกายหมายถึงธาตสี่ธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมตัดไปคําคว่าเราสามภาษาหนังสือเทเรียก ว, ว่าจิตแต่ถ้าว่าถ้าภาษาปฏิบัติเทเรวจิตสมาในกายมันเป็นกายอีกกายหนึ่งที่สิงอยู่ในกายเนื้อเพราะกายตัวนี้ที่เข้ามาไปสนทิกายในจึงเกิด ตอนนี้เมื่อเราตายไปก็ปบอกตายถ้าดีก็ไปสวรรค์เรวก็เป็นนรกเอ้กายเนื้อนี่มันไม่ได้ไปด้วยมันจงอยู่กับพื้นแผ่นดินเขาเผาบ้างเขาฝังบ้างก็โยนทิ้งน้าไปบ้างไม่ได้ไปสวรรค์นรกด้วยเราตอนนั้นเป็นผู้ไปคําว่าเราว่ า, ากระตามเสียเรียกว่าจิตว่ากระตามนักปฏิบัติเรีย ก, าากว่าทิศมาลกายทั้ <c oughs> นี้เมื่อร่างกายไม่ใช่เราไม่ถึงของเราแล้วเราควบคับมันไม่ได้ มันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายเชิญแล้วไม่เชิญมันก็เป็นอย่างนั้นใจวางเฉยต่าอากายเพระร่างกายจิตใจไม่สะุ้งสะเทือนเมื่อร่างกายแก่เมื่อร่างกายป่วยเมื่อร่างกายจะตายใจวางเฉยและก็เฉยทุกอย่างในสมบัติของโลกไม่มีความต้องการผูกพัดจริงจังกับสมบัติของโลก อย่างนี้จะเรียกว่าสังขารุปเกขายานเป็นอารมณ์ผ้ารัแล้วต่อไปนุสติอีกนุสิหนึ่งอีกอันหนึ่นุสติก็คือว่าอานาปานุสติอานาปานุติรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ขอสรุปคําว่าอนุสติพูดมายาวเกินไปไม่ยาวก็ไม่ได้เนี่ยย่างย่อเนี่ยเขาเขียนอะไรหน้า ก็ให้บรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทเลือกเอาตามชอบใจตามเวลาที่ต้องการนะเวลาไหนเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยากจะนึกถึงพระเจ้าเราก็นึกถึงนึกถึงความดีของพระเจ้าถ้านึกถึงความดีของท่านนึกพเพราะว่าจิตท่านคนบูชาอย่างนี้จิตจะเข้าถึงอุปจารสมาธิเป็นอย่างสูงจังเข้าไปถึงฌานจะไม่เป็นไร ถ้าต้องการเป็นชาตินึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งถ้าไม่เคยได้มโนมยิธิสําหรับท่านนี้ได้มโนมยิธิแล้วไม่เป็นไรไ่ใช่เรื่องัะไรท่านนี้ยังไม่ได้กําลังมโนยิธิก็คือไม่ได้ที่ปุญญาณยังไม่เคยเห็นภาพพระพุทธเจ้าค่อยจับภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งตามที่เราชอบจะเป็นภาพพระพุทธรูปองค์ไหนวัดไหนก็ได้เหมือนกันหมดนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้น แต่นึกในใจถึงท่านถ้ า, า ใ, ใช่ใช่ทำภาวนาแต่ความจริงอนุสติในปฏิบัติจริงๆเขาไม่ได้ภาวนาเขานึกเอาเฉยๆแต่ว่าถ้าต้องการจิตเป็นฌานพระพระโบราณอาจารย์ทล่นสอนและภาวนาด้วยจิตจับภาพพระพุทธรูปและก็ภาวนาด้วยถ้าจิตจับภาพพระพุทธรูปและภาวนาด้วยอย่างนี้เป็นฌานถึงฌานสีได้เพราะภาพพระพุทธรูปเป็นกรสิน พระพุทธรูปสีเหลืองเป็นปิตาเกษรสิลพระพุทธรูปสีเขียวเป็นนีเรศเกษศิลปพระพุทธรูปสีขาววิโอธาเกษรศิลป์พระพุทธรูปแก้วเป็นแก้วใสเป็นอานโลเ ก, กสริลป์กรองความว่าเราปฏิบัติได้ทั้งเกสิลด้วยพุทธานุสติกรรมฐานด้วยขณะดใดที่ใจนึกถึงนึกว่านี่เป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติถ้านึกติ้งสีเป็นกษรศิลแต่ความไม่ความจริงไม่จําเป็นต้องเปี่ยนเพระใจมันชอบนะี่ย เห็นว่าเวลาไหนอยากนึกถึงพระเจ้าคนนึกอยากนึกถึงในอยากนึกถึงว่าทำคนนึกถึงได้อยากนึกถึงว่าสงฆ์องค์ใดองหนึ่งก็ได้ตามชอบใจแต่ในการต่อไปคืออยากนึกถึงศีลว่าศีลที่เราเคยรษามีจิตมีขาบทมก้องมาหรเปล่าอย่างนี้เป็นสีลานุสติกนึถึงได้เป็นบุญทั้งหมดต่อไปก็นึกถึงเทวดาขจิตวตาุสติบ้างนึกถึงทางการบริจาคบ้าง นึกถึงความตายบ้างนึกถึงร่างกายไม่ดีบ้างออกมาขีดขาดแล้นึกสติน่งสติที่ขาดไปก็อุปสมานสติเป็นนึกถึงมรรคาลเป็นอารมณ์ขนาใดที่เรานึกถึงมรรคผลเป็นอุปสมานสติกรรมฐานรวรความอนุสติแต่สิบปัจจัยนี้ให้นึกตามชอบใจเวลาไหนชอบใจเรสติไหนนึกถึงอย่างนั้นเป็นมหาบุญส่หมด คำว่ามาหากุสทนให้ากาลังใจอ่อนเต็มทีนึกถึงบ้างก็บอวกว่าได้ขับรถเมยเกินไปบ้างเรียกว่าทรงตัวไม่ได้นานเป็นคณิกะสมาธิอย่างนี้เป็นเทวดาและนางฟ้านันสวรรค์กามาวจรได้ถ้าเป็นอุปจาระสมาธิมีจิตใจชุ่มชื่นอย่างนี้ถ้าบอกว่าเลือกเกิดในสวรรค์หกชั้นได้ตามชอบใจ หากิตทรงตัวอย่างต่ำไม่ราคาญในเสียงอย่างนี้เกิดสุขสมแต่นณะใดที่ภาวนานึกถึงนิสสติใดก็ตามร่างในเวลานั้นจิตใจเกิดไม่ร่างไม่นิยมในร่างกายของเราเองร่างกายจะบ้านทางเขาถ้ร่างกายของเราความจริงมันสภาพเต็มด้วยความทุกข์เราเหนื่อยยากกับพระร่างกาย เราป่วยไข้ไม่ส บ, บายกุลร่างกายเรามีความกร ะ, ะทุกกระทบั่งใดๆกุลร่างกายเป็นเหตุต่อไปถ้าหากว่าเราไม่มีร่างกายความทุกอย่างนี้จะไม่มีไม่คิดอย่างท่ทานกุลร่างกายมันไม่ดีนะเราไม่ต้องการอีกถ้าเกิดชาติต่อไปเราขอเกิดนิพพานจุดเดียวการดำเ น, นกนคดีทีวันใดคดีภวค ด, ดีไม่มีสําหรับเราถ้าคิดอย่างนี้คิดจงเกิดความมั่นใจจริงๆแล้วก็ภาวนาก็ได้ นึกถึงว่าบริจาก็ได้นึกถึงว่าทมก็ได้นึกถึงพระอริยสงฆ์ก็ได้นึกถึงเสียงก็ได้นึกถึงทานการบริจาคก็ได้ให้ตั้งตนคิดอย่างนั้นสิก่อนถ้าต่อไปก็นึกถึงนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งตามเราชอบสําหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่มาทำที่นี่ชอบนิพพานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตั้งใจนึกนิพพานโตรงนึกว่าถ้าเราตายเมื่อไรเพราะปณิพานเหมือนนั้นหลังจากนั้นจะภาวนาไว้ยังไงก็ได้ ถ้าภาวนาให้ตรงก็ภาวนาวนิพานะสุ ข, ขัขง <c oughs> กำลังใจได้ปูกม่านในนิพาัาน <c oughs> เพียงเท่านี้ท่านตายเม ร, ปรัปณิพพานเหมือนนั้นถ้าถ้าไปนิพพานแล้วเป็นเลยวันนี้ก็เวลาเหลืออีกสามนาทีต่ตอไปก็ตั้งใจสมาทานศีลสม า, สม า, สมาทานเกรรมฐาน